ก็ขอนอมน้อมต่อพระนไตรมีพระพุทธรธรรมแล้วก็พระสงฆ์เขาต่อวายความเคารพนะมาย่งพรกรมพระจันยุกินะแล้วก็พระจันหลงพิทที่เคารพถอวายความเคารพนะมาถึงเพื่อนสักดมิกทุกทุกรูปรวมทั้งเจริญพรเจริญธรรมมายังคุณแม่ชีแล้วก็ ในบบทธรรมบาสกภาสิกาที่มาร่วมกันธรรมบจ้าวันนี้ทุกๆท่านวันวนี้เราก็นั่งตั้งใจฟังกันวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ที่9กันยายนพุศักราช2556ก็ตรงกับวันขึ้นอืมกี่คำ 8, 7, 6, 6, กขั้นเดือน9กาจากวันพระนากระเดิน10บแล้วทีนี้เราก็ใช้วันนี้เชา้านี้อากาศพอเหมาะยีสบสามองศาความชื้นสัมผัสก็ประมาณ7จห ในเป็นการำดำรงชีวิตของเราขนาดนี้เพื่อประกอบกิจทำบุญสวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่เช้าเลยมีพูเทเต่า80ิกว่าหลายท่านมานั่งอยู่ที่นี้ทําบัดเช้าร่วมกันถือเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวเราควรเอาแบบอย่างกันเอาแบบเลยท่านอยู่ยังไงเราก็จะอยู่อยังงั้นละทำยังไงเราก็จะทำงั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรม มีแบบมีอย่างกันในพระวัตป่าสุตโตเมื่อวานเราเห็นท่านจำไอสารนะเจ้าวาเป็นต้นแบบดีๆนะพูดธรรมะกัไปเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดเราฟังแล้วเรากซาบซึ้งอิ่มนอน ม, มาเทียบเคียงแล้วก็สังเกตการเดินทางสู่มรรสู่ผลของเราด้เพราะแบบที่เรียกว่ารู้สึก ตันันะที่เรียกว่าแบบการเคลื่อนการไหวของกายของจิตนะตรงนี้มันเป็นจุดสังเกตนะเราก็อาศัยการเดินจงกรมกันนั่งร้างจังหวะนะการดูกายโดยนาดูจิตดูธรรมคำว่า ด, ดูก็คือดูนะมันไม่ใช่อยู่จึงเราจริงๆมันอยู่กับความคิดอยู่การงานที่ยุ่งเหยิงสับสนอยู่รูปรสกลิ่นเสียงปุถภาธรรมอารมณ์ โพธภาหมายถึงว่าการกระทบนะการสัมผัสการที่เราไปเกี่ยวข้องปัจจะโพธพะธรรมารมณ์ก็คืออารมณ์ธรรมต่างๆที่มันมีรูปธรรมเป็นวัตถุที่เราสัมผัสจับต้องได้ลกักษณะมาธรรมนามธรร ม, า ท, า ม, มา ท, ที่จับต้องไม่ได้ก็คือความคิดระบบของความคิดการปรุงการแต่งอันนี้คือสภาวะที่เราจะต้องดูให้รู้ให้เห็น นอกจากเห็นไม่จะเห็นธรรมดาต้องมีปัญญาผ่านด้วยเรารู้รู้แล้วก็สัมผัสอยู่อันนี้เป็นอาการของสติเรอรู้อยู่รู้ว่าทุกข์แต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงอย่างเงี้ยมีสติแต่ยังไม่มีปัญญาถ้าจะเป็นสติพฐานมันมีทั้งสติมีทั้งปัญญามันรู้แล้วก็รู้ผ่านรู้ปล่อยรู้วางแล้วมันก็ว่างวางจากการคิดการปรุง ความคิดหรือว่าการปรุงการแต่งก็คือตัวตนนั่นแหละแล้วแต่จะปรุงกันยังไงปรุงดีปรุงไม่ดีปรุงชั่วปรุงเป็นบาปเป็นความมืดเป็นความโง่ลงนรกหมกไหม้ทุกข์ระทมแล้วปรุงดีเป็นบุญเป็นกุศลเป็นขึ้นสวรรค์มีความสุขก็คือการปรุงความรู้สึกตัวจะทําให้จิตของเราปรับสมดุล ทำให้ชีวิตของเราปรับสู่สมดุลกายก็สมดุลของมันเป็นปกติเป็นธรรมชาติของกายเป็นรูปธรรมมีธาตุสีจนจิตใจของเราก็เป็นลักษณะของธาตรู้ธาตว่างธาตรู้มันก็ไปสู่ความพ้นทุกข์เห็นความจริง แต่ถ้าไมรู้มันก็เป็นลักษณะของหลงไปสู่พบภูมิต่างๆมากมาย ค, ม ค, ค, คิดแล้วกลุ่มคิดแล้วกอดคิดแล้วกังวลคิดแล้วมีอาการต่างๆเกิดขึ้นมามากมายในความคิดเป็นพบแชดเมาเราฝึกความรู้สึกตัวเราก็เห็นจิตของเราที่มันว่าไวไหลไปทางตาคิดต่อปรุงแต่งต่อไปทางหูคิดต่อปรุงแต่งต่อจนทั้ง กลายเป็นเรื่องของชีวิตที่เหลืออยู่ในขาดทุนใจยุ่ที่ผ่านมาคือไม่มีประสบการณ์ที่ดีมีแต่ความรู้สึกตัวที่มันจะเป็นคำตอบมันบอกถึงทิ่ถึงทางว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้หมายถึงว่าดีหรือชั่วมันเป็นเรื่องของสภาพธรรมตามเหตุตามปัจจัยที่มันมีกรอบมันแสดงออกตามกฎของธรรมชาติ เราเลยเปลี่ยนนะสภาวะของกรรมดีกรรมชั่วที่ผ่านมาเนะี่ยเป็นกรรมฐานขณะนี้เลยนะมีฐานกายเราฝึกสติรู้รู้ที่ฐานกายตัวเนี้ยมันจะเป็นสภาพธรรมที่เกิดมาจากกรรมฐานไม่ใช่กรรมดีไปสุขกรรมชั่วไปทุกขนะ์แต่มันเป็นกรรมฐานที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์คือสู่สภาวะปกติของจิตใจของเราันะในนบรรสาแรกนะที่องค์สมเด็จจำมาวะเจ้าได้ตรัสรู้มากผล นิพานในสเสวยวิติสุขก็ใช้เวลาหนะึ่งภาษานสอนให้เราบุทุชนคนทั่วไปเป็นพระอริยสงฆนะ์จำนวนถึง60รูปนะหลังจากนั้นก็แยกย้ายนะออกไปสั่งสอนเมื่อนะออกภาษาเรียบร้อยแล้วนะนะเราเห็นว่าในหนะึ่งภาษาเนี่ยรูปทีเดียว ที่เข้าถึงตัวสติปัฏฐานเราสามารถเห็นสภาพธรรมต่างๆตามความเป็นจริงแตกฉาจนจะนั่งหลายคนหลายท่านก็บอกว่าตัวท่านเองไม่เป็นหนี้อยู่อย่างเป็นเจ้าของอย่างที่เมื่อวานท่านอาจารย์ไพศาลนั่นเทศอยู่ปกติอยู่เป็นหนี้หนี้บุญคุณค่าน้ำนมหนี้ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอันนี้เราก็รู้จักกตันอยู่ต่ อ, ตอกัน ธรรมชาติได้เพราะกายใจของเราตัวธรรมะก้อนธาตุก้อนธรรมเราก็ทังอยู่ตอบคืนสู่สภาวะธรรมชาติเดิมแท้หรือ ว, ว่าความเป็นปกติให้กับกายกับใจของเราเมื่อก่อนเราใช้จนเบียดเบียนกันใช้กายจนเบียดเบียนจิตนี่กลางคืนไม่รับไม่นอนหาเงินหาทองจนเบียดเบียนจิตใจของเราบางทีเรื่องของจิตใจของเราเบียดเบียนร่างกายทุกใจจนกินไม่ได้จนนอนไม่หลับ มันเบียดเบียนกันโลกกายทำให้จิตใจไม่สบายบางทีคิดมากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นจนป่วยเป็นอาการที่จิตใจของเรามันเบียดเบียนกายของเราเนี้ยเกิดความไม่ยุติธรรมพอเรามาไปทำเราได้เห็นมันมีลักษณะของการแยกออกจากกันเรื่องของกายก็เป็นเรื่องของกายกายเมื่อยมันก็เมื่อยที่กายกายแก่ก็แก่ที่กายกายเจ็บมันก็เจ็บที่กายใจไม่ต้องเจ็บ ใจไม่ต้องเมื่อยใจไม่ต้องปวดมันมีอยู่หรือบางทีนะจิตใจของเรามันคิดมากปฏิบัติธรรมหนึ่งจะคิดมากนิดหนึ่งคิดถึงปัญหาเก่าๆที่แก้ไม่ตกคิดถึงความทุกข์เก่าๆหรือบางทีมันก็มีตกวิจารณ์มีภาพวิจารณ์มันจะเป็นอาการที่ความคิดอยู่ที่ปัจจุบันนี่แหละเห็นมันก็คิดต่อปรุงแต่งต่อเราได้เห็นแล้วจิตใจของเรามันก็เป็นโลกเหมือนกันร่างกายก็เป็นโลกเหมือนกันแต่า ต่างคนต่างอยู่ทุกของจิตก็คืนให้กับจิตใจของเราทุกของกายก็คืนให้ร่างกายของเราผ่านความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวพรุ่งนี้วันที่สนะิบกันยาย น, นก็เป็นวันที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยนะประกาศเป็นวันสากลของโลกนี้ก็คือวันป้องกันนะการฆ่าตัวตายโลกวันพรุ่งนี้1ิบกันยายน สเิเกันยายนก็เป็นวันที่นะผู้กอ่อการร้ายนะระดับโลกที่เครื่องบินอพยชนแพนตะก้อนไปช น, นะปชนตึกวนเทรดเซ็นเตอร์อย่างนะี้นะจกนกระทั่งปฏิวัติวันที่สเิเกันยายนก็ต้องมีวันระลึกนะึกนะถึงผู้ตายนะทำให้แล้วนะของนะความทรงจำยังเหลืออยู่ต่อไปมีการล้างแค้นกันอย่างนั้นะนะแล้ววันที่สิบสาม กันยายนมันกเป็นวันที่หลวงพ่อเทียนมรณภาพแล้วก็เป็นวันประกาศให้เป็นวันหลวงปู่เทียนซึ่งจนให้มนุษยชาตินออกมาจากความคิดออกมาจากการปรุงกันแต่งเพื่อให้เราเป็นอิสระภาพหลวงปู่เทียนเคยบอกไว้ว่าเราเกิดเป็นคนไทยไม่ได้หมายถึงว่าเป็นไทยแท้หรอกนะไทยแท้คือ เป็นอิสระออกมาจากความคิดการปรุงกันแต่งนั่นแหละคือไทยแท้มาเป็นอิสระภาพทางจิตวิญญาณปกติเมื่อก่อนที่เราไม่เคยฝึกสติกันเราจะโดนความคิดครอบงำเอาความคิดถึงลูกความคิดถึงหลานความคิดถึงงานความคิดถึงสังคมเศรษฐกิจการเมืองความคิดที่ชีวิตเหลืออยู่จะทํำไงกันต่อไปมันสับสนมันยุ่งเหยิงนะ บางทีเราเรียนรู้สูงแต่กิเลสมก็สูงตามความรู้ที่เรียนจบนี่นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆบางทีเราก็เห็นเป็นข่าวเป็นคาวกันศาสตาจารย์ฆ่าตัวตายหรือว่าสารวัตใหญ่ยิงตัวตายเพื่อรักษายิงตัวตายวิศวกรยิงตัวตายสถาปนิกฆ่าตัวตายมากมายเหลือเกินบางทีก็ตายด้วยอุดมการณ์ ยกตัวอย่างเช่นสืบนาคาเสถียเนียนะอนุรักษ์รักป่ารักสัตว์ักต้นไม้ไท้ายสุดก็คื อ, อเอาปืนไปยิงหัวตัวเองตายก็คือเปน็นลักษณะของรักธรรมชาติท้ายสุดยอมเสียชีวิตอย่างเงี้ยอาจารย์ก็พูดเมื่อวานว่าเอา้าถ้าการที่ตัวเราตายแล้วก็สติปัะฐานเนี่ยทุกคนหันมาสนใจมันก็น่าตายนะเออก็คิดอย่างนี้เหมือนกัน ข้อที่สีว่าเนี่ยสามารถที่ทาให้คนนีสนใจแล้วก็กลับมาหาตัวความรู้สึกตัวอีกครั้งเนี่ยแล้วก็ตัวเราไม่อยู่เนี่ยมันก็พร้อมแบบนั้นเลยนะมันก็คิดแบบนี้ด้วย น, นะเพราะเห็นว่ามันมีความสําคัญมากๆนะโดยเฉพา ร, รูปแบบปฏิบัติที่เป็นสูตรสําเร็จอึดใจเดียวะจู่การรู้แจ้งแบบรัดรสั้นๆนะพลิกมือตั้งอยู่รู้สึกตัวเนี่ยยกขึ้นมารู้สึกตัวนี่เป็นคําสอนคําบอกนะ ที่หลวงปู่เทียนท่านได้ประยุกท่านไม่ได้เป็นคนค้นคิดออกแต่ท่านประยุกต์นตัดคำบริกรรมทิ้งไปเหลือแค่การเคลื่อนไหวแล้วกระทบสัมผัสเฉยๆรู้ซื่อๆรู้ซื่อ ๆ, ๆท่านทําเป็นเวลาสองวันแล้วท่านเข้าใจธรรมะทั้งระบบอย่างเงี้ยว่าเราอ่านประวัติเราได้ยินประวัตินจากคําพูดของท่านเงี้ยเราก็ ม, มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอ มันก็ไม่ใช่แค่หลวงปู่เทียนแล้วก็สืบสาไปอีกสองพันกว่าปีตำหลับตํารามันก็มีมีการอ้างอิงอยู่ในคัมภี์ในพระไตรปิฎกองสมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้านะท่านรู้ในการรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรียกว่าอาณาปานาสตนะิก็ไม่ได้พูดว่าอาณาปาณสมาธิไม่ได้พูดอย่างนั้นก็เป็นการฝึกสตินะบันเพลเดือนหกนะขึ้นสิบห้าข้ามยามสามเประ ก, กาเป็นวันพุธนะมันมีร่องรอยอยู่ การนการสืบทอดเทระวาดก็ยังพูดตรงชัดเลยเรื่องการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยแบบตรงไปตรงมาเนือดีเหนือชั่วเหนือถูกเหนือผิดเหนือเหตุเหนือผลก็ถึงสัพพารู้ตรงๆมันก็มีจริงๆรู้รรว่าหลวงพ่อมาเขียนท่านก็พูดถึงสภาวะผู้ดูท่านบอกว่าที่บทพระก็ะว่าตอนเป็นโยมทําแล้วมันรู้ได้ขนาดนี้เลยยี่สิบเอ็ดวันรู้รูป ร, รู้นามเนี้ยสิบวันแรกเนี่ยไม่ได้รู้รรู้นาม ทำงานทำการยกแก้วน้ําปูเสือ้อใครไปใครมาก็ต้อนรับอย่างนี้นะจนทางเนมาถามอาอายรู้เรื่องรูปนามแล้วบอกทันกันมันเป็นเวรเป็นกรรมเป็นข้อเห็นเวรภัยอะไรไปบัดทำแล้วไม่รู้ทำมากกับเขาไปถามหลวงพูทเทียนหลวงพูทเทียนก็ท้าทายว่าเออถ้าทำไม่รู้อะไรจะใหเะ้เดือนละพันสามเดือนก็สามพันจะจ้างเลยแต่ขอให้ทําอย่างนี้นะเคลื่อนเมื่อ14ี่จังหวะ แตเลยียงไหวให้รู้สึกตัวหลวงพ่อคำเขียนท่านกระถามว่าทําแค่นี้เองเหรอครับเนี่ยก็ทําแค่นี้แหละแค่เคลื่อนไหวหรู้สึกตัวตอนนั้นมาท่านก็นตั้งใจเลยนะยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมอยู่อีกสิบเอ็ดวันเข้าใจสภาวะของรูปนามมันเปิดตัวเองออกมามาทันได้สัมผัสทันก็เออขณาดทาตอนเป็นโยมมันได้ขนาดเนี่ยนะตอนเป็นโยมภาคก็ใช้ทํานั่นทํานี่นะ่ะ ซื้อของหรือว่าไปเก็บมาขามป้อมหาผักหายาอย่างนี้ทางนี้ทางนั้นก็บวช ด, ดีกว่าจนกระทั่งท่านก็มีโอกาสที่จะสอนธรรมพวกเราเนี่ยเราได้ยินได้ฟังถึงสภาวะผู้ดูดูแลเห็นเห็นแล้วไม่เป็นอะไรแล้วก็น้องเข้ามาใส่ตนทันทีด้วยเหตุที่ว่าเราก็เคยทุกมาเหมือนเหมือนกันเคยทุกเพราะว่าสังขารร่างกายสุขภาพไม่ดีนะ แล้วก็หนีร้อนมนาะพึ่งเย็นหรือว่าทุกข์เพราะพ่อแม่ะพ่อแม่ท่านก็มีจริยนิสัยของท่านเราก็เป็นลูกอยู่เสมอไม่รู้จักโตสักทีหรือว่าเรามีลูกกับทุกข์พ่อลูกมีงานกับทุกข์พ่องานมีบ้านกับทุกข์พ่อบ้านมีทรัพย์กับทุกข์พ่ทรัพย์แนะม้เราก็จึงเหมือ น, อนกันนะะเราก็หนีร้อนมนาะพึ่งเย็นเหมือ น, นกันเห็นว่าการบวดเป็นการทดแทนค่าน้ํานมหนะนะรือว่าการประพฤติวัดปฏิยติธรรมมันเป็นช่องทาง ของการเรียนรู้แล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่เป็นวิชาความรู้สูงสุดในการที่เราได้เกิดได้ชีวิตมาเป็นมนุษย์อย่างนี้นะมันมีศาสตร์มันมีมนมลักษณะของศิลปะต่างๆมากมายเหลือเกินวิทยาศาสต ร, ร์หรือว่าภาษาศาสตร์สถาปัตยกรรมวิศวกรรมหรือว่าเภสัชกรรมแพทยกรรมนวัตกรรม ที่มันเกิดขึ้นมากมายแล้วเกินในยุค ข, ของปัจจุบันวิชาความรู้ต่างๆแต่ขแขนงลงลึกลุ่มลึกลงไปอย่างนี้นะแต่มันก็มีวิชาพุทธ ศ, ศาสนาด้วยหลวงพ่อเจ้าทันกทถาไทยนมาเรียนรู้วิชานี้ไม่เกินเจปีมันไม่ทุกตลอดชีวิตหลวงปู่เทียนกะถาไทยว่าไม่เกินสปีให้รู้สึกตัวอย่างเดียวนะเคลื่อนมือเดินโยกมือไม่เกิน3ปีแล้วมันไม่ทุกอีกต่อไปนะเราก็สนใจมันเป็นวิชาที่ ชีวิตของเราก็ควรจะเข้าถึงมันเหมือนกันพวศาสนาอานแลบี้หว่าการฝึกสติปัญฐาสี่การพลิกมือนั่งสร้างจังหวะหรือว่าเดินจงกรมนั่งเดินยืนนอนให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวจนกระทั่งมันพัฒนายิ่งขึ้นไปจะทำอะไรก็ตามมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจตัวนี้เราก็จับประเด็นมาฝึกหัดกันหวัน2วันสาวัน4วันหวันหวันเวัน เราก็ฝึกหัดกันตรงนี้เพื่อให้มันมีลักษณะของประสบการณ์ตรงมากบ้างน้อยบ้างแล้วเราก็จะได้ขยายผลพันธุการให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตอนนี้เราเปลี่ยนชุดต่อไปเราชุดไหนชุดไหนเราก็ปฏิบัติธรรมได้ตอนนี้เวลานี้เรามาอยู่วัดต่อไปเราอยู่สถานที่ไหนก็ได้ทุกทันทีดับทันทีมีปัญหาทันทีไม่ทุกทันทีมีปัญหาทันทีก็แก้ทันที มันผ่านทันทีก็เป็นตัวปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญามันจึงมีหลายระดับแต่ว่าที่เรากาลังฝึกหัดกันอยู่นี้เรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณเป็นปัญญาที่เกิดจากการฝึกสติปัฏฐานอย่างถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องจนทั้งเกิดผลขึ้นมาเป็นมหาสติปัฏฐานเห็นกายเวนาจิตธรรมเห็นทุกข์ของกายเห็นทุกข์ของจิตใจเห็นชาชราเห็นพยาธิแล้วก็โสกกาเปรตวะทุกโอปายาสะตัวนี้นะ มันจะเกิดขึ้นมาชาจร า, ามลณะก็คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของรูปธรรมนามธรรม ท, ท, ทียิบเลยไก่ ข, ของเรานั่งเดินยือนนอนแก่เจ็บตายแต่จิตใจ ข, ของเรามันคิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับทียิบเลยเคยเห็นบ้างไหมตรงเนี้เราก็จึงมาฝึกหัดกันให้มันเห็นความคิดการเห็นความคิดนี่หลวงปู่เทียนท่านเรียกว่าเห็นประตูธรรมเห็นแล้วกระดับทันทีเห็นแล้วกระ ด, ดับทันทีด้วยนะเห็นนอกนก็วางนอกวางนอกนะ เห็นใ น, นก็วางในเห็นนอกวางนอกเห็นในว่างในเห็นนอกวางนอกเห็นในวางในถ้ายสุ่มก็วางทั้งนอกทั้งในมันเห็นยังไงมันมีอาจนานะภายในอายะภายนอกเชื่อมกันมันเป็นไฟเห็นแล้วเกิดโทสะเกิดราคะเกิดโลภะเป็นไฟความโลภความโกรธความหลงห ม, มันเกิดขึ้นมามันร้อนรุ่มภายในจิตใจของเรานะ มันเป็นลัณะของอาการที่กิเลสมันเผาเราสมัยหนึ่งองค์สมเด็จสมัมมาวาเจ้าได้ประกาศธรรมะโดยการเดินย้อนกลับมาที่ปนาอิสิปตนันมาคลึกไวันเดินกลับมาไกลเลยลงมาข้างล่างสุดของประเทศอินเดียก็คือพุทธคยาเสร็จแล้วมาเจอกับฉดินสามพี่น้อง แต่ก็พูดถึงนี่ตาหูจม้นกายใจน่แหล ะ, ะอัยนภายนอกอัยนภายนใ น, นที่นี่เป็นรัตทีบูชาไฟแล้วก็นึกว่าตัวเองเป็นพระรหันต์กันหมดแล้วนโดยเพราะเจ้าหรือว่าศา ส, สดาเจ้าของรัตทีก็คืออูลเวลกัสปะพี่ใหญ่ก็มีน้องนาทีกัสป ะ, ะสีหาคยากัสป ะ, ะอีกสองคนก็มีสาวกรวมกันแล้วก็เป็น พันคนนะถ้ารวมกันสามคนก็นเป็นพันกับสามคนเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าลัทธิเจอแล้วองค์สมเด็จสัมมาว่าเจ้าก็ไปป่าพยศนะท่านไปพูดโดยไม่ต้องมีไมโครโฟนนะแล้วก็ใช้ฤทธิ์เบื้องต้นก็คือให้เห็นว่ามีฤทธิ์ซะก่อนประเดยวธรรมจะมีคุณวิเศษก็โดยการแสดงออกจับพญานาคนที่อยู่ในเรือนไฟ องสมเด็จสมัยเจ้าถูกให้ไปพักอยู่ที่เรือนไฟโรงไฟเสร็จแล้วมีพญานาคอยู่ก็ใช้ลิดจับพญานาคนะย่อให้เหลือตัวเล็กจับใส่บาดเสร็จแล้วก็เดินโดยมีกำแพงน้ําเดินแหวกน้ําจนฝุ่นฟุ้งเลยเดินดินฟุ้งเป็นฝุ่นใช่ไหมน้ําก็แหวกออกเป็นช่อง ทุกคนเห็นก็เกิดความอัศจรรย์ใจเอ๊ะทำได้ยังไงไงนะแสดงฤทธิ์แบบนั้นคขาว่าว่าแบบนี้นทีนี้หลังจากแสดงฤทธิ์เสร็จตาสุดอูเรลกัสปาก็ยอมสยบกรกาบหลังจากนั้นโอสมเด็จสามาจ้าก็เห็นว่าออหมดพยศแล้วก็พูดธรรมะก็ได้พูดถึงว่าไฟเนี่ยมันไม่ควรบูชา มันมีไฟภายนอกไฟภายในตากระทบรูปหูกระทบเสียงอย่างเงี้ยไม่ควรไ้บูชาไปคิดต่อปรุงแต่งต่ออย่างเงี้ยนะเป็นดีเป็นชั่วเป็นถูกเป็นผิดเป็นเหตุเป็นผลหมดการสัมผัสก็คือไฟเสวย อ, อารมณ์ก็คือไฟให้ออกมาจากการเกิดการแก่การเจ็บจากโลคาพยาธิจากการตาย จากความขับแค้นใจโสกาบาิเยยะทุกอุปายยาสะันให้ออกมาซะมันจะเกิดอิสรภาพทางจิตปัญญาอย่างนี้ขณะที่ฟังกันอย่างตั้งอกตั้งใจบรรลุธรรมกันเลยอูเรวกับสปากษาวกอีกห้าร้อยคนหลังจากนั้นก็ถอดเครื่องทรงแล้วก็ลอยไปหลังจากลอยไปสักระยะหนึ่งน้องชายก็เห็นว่าเอเกิดอะไรขึ้นกับพี่อย่างนี้นะ นาทีกส ป, ปะสีหกยากส ป, ปะก็เป็นทอดๆไปก็กลับมาหาพี่ชายฟังทำจากโอสมเด็จสมัยเจ้า บ, บรรลุธรรมทั้งหมดเลยนะเป็นเรื่องของสมัยพุทธกาลเชิงวันนี้ของเรามันคืออะไรของเราวันนี้ก็คือพยายามรู้สึกตัวเข้าไว้การเคลื่อนกันกไหวฝึกสติตรงเนี้จนกระทั่งเห็นอาการที่มันแสดงออกมาเจ็บปวดเมื่อยหิวกระหายเย็นร้อนอ่อนแข็งเรื่องของร่างกายเรา ปวหัวตัวร้อนไม่สบายจับไข้แบบนี้นะให้เห็นมันตามสภาพธรรมตามความเป็นจริงนั่งเดินยืนนอนร่างกายของเราจิตใจของเราในคิดตังปรุงแต่งเก่งนะแตเดี๋ยวก็คิดอีกแล้วปริโภทสมีความกังวลห่วงบ้านห่วงงานห่วงลูกห่วงหลานเนี้ยห่วงการเดินทางห่วงการเรียนเรื่องการศึกษามันห่วงหมู่คนะห่วงญาติพี่น้องต่างๆ เราก็ตัดกลับมาสู่ปัจจุบันขณะโลกของความเป็นจริงที่นี่เดี๋ยวนี้อย่างนี้ทุกครั้งที่สัมผัสรู้สึกตัวเราก็จะเห็นว่าความคิดมันจบลงทันทีถ้าทําถูกนะถ้าถูกทำนะมันจะจบลงทันทีดับลงทันทีจะทุกข์ใหญ่ขนาดไหนก็ตามเหอะเมื่อรู้สึกตัวปะมันตัดลงทันทีดับลงทันทีแต่ว่าเรารู้สึกตัวอยู่หรือเปล่ามันสัมผัสรู้เราคิดรู้ตรงนี้ต้องทําให้เป็นถ้าเราคิดรู้มันก็คิดต่อไปมันก็อยู่กับความคิดต่อไป ท้ายสุดก็กทุกเหมือนเดิมน่ น, นะเพราะอยู่กับความคิดแต่ถ้าเราสัมผัสสัมผัสสัมผัสสัมผัสมันกลายเป็นออกมาจากความคิดอยู่แล้วสักพักหนึ่งจิตมจะสบายทําสักสามสิบนาทีสี่สิบนาทีจิมจะสบายแต่บางทีมันอาจจะมีนิวรธรรมความงงเหงาหานอนเกิดขึ้นมาบ้างมันฝัง ก, กัน้นอันนี้ของดีไม่ใช่ของที่ไม่ดี มีความคิดฟุ้งฟูงแต่งเกิดขึ้นมาฟุ้งซ่านอุทันจากหูา จ, ากาจากอันนี้ของดีมีความลังเล ส, สงสัยกับ่าอนนี้ของดีมันคือความคิดนะออันนี้เราก็เจตนากําหนดสัมผัสรู้สึกเมื่อเราเจตนากําหนดสัมผัสรู้สึกก็ออกจากความคิดทันทีนตรงนี้แหละมันก็จึงคือประสบการณ์ของคนที่ฝึกหัดปฏิบัติธรรมได้ผ่านสภาพธรรม เป็นล่องเป็นช่องเป็นทางเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนมันผ่านมันเป็นประสบการณ์ที่เราจะต้องใช้บรรยากาศของสิ่งแวดล้อมและกลรเรียนรเนี่ยเรียนรู้สิ่งนี้เข้าถึงสิ่งนี้ร่วมกันทุกคนไม่เว้นเลยเพราะมันคือสัจธรรมความจริงที่มีเยู่นั่นตัวเราทุกคนปฏิบัติแล้วต้องง่วงเนี่ยมันคือสัจธรรมความจริงนิ่วัลธรรมหลังจากความง่วงความโล่งโปร่งเบายเตื่นตัวเนี่ยอันนี้คือสัจธรรม มีปีติมีความอิ่มใจมีความสงบนีมีความสุขจากการปฏิบัตินี่มันคือสัจธรรมแต่ท้ายสุดพอเรามีสภาวะผู้ดูมจะเดินผ่านทันทีดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาหลือแค่รู้สึกตัวเฉยเฉยรู้สึซื่อรู้สึซื่อนี่เป็นปกติเมื่อเราเห็นความเป็นปกติตรงนี้มันคือทางคือมรคือผลคือมรคือผล มักก็คือเราเดินทางรู้สึกตัวรู้สึกตัวผลก็คือเมื่อเจอลมมันผ่านได้มันเป็นผละมื่อจะเป็นมากเป็นผลจยิ่งขึ้นไปจนทางเราเหมือนกับว่ายิ้มนะภายในใจของเราลึกๆยิ่งมีปัญหายิ่งยิ้มอยู่ข้างในเห็นเพื่อนกอดเราไม่กอดเห็นความวุ่นวายเราไม่วุ่นวายมันจะยิ้มลึกๆเย็นๆอยู่ข้างในตัวนั้นเราคือที่อยู่ของเราเป็นที่อยู่ของจิตความเป็นปกติจิตนะ มันมีสภาพธรรมต่างๆที่เป็นคุณคุณธรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นมันมีความเมตตาขนานเมตตาเบี้ขายมันจะเกิดขึ้นไหมอายชั่วกลัวบาปมันจะเกิดขึ้นมามีความอดทนอดกลั้นมันจะเกิดขึ้นไหมนะจางทางจิตใจของเราเหมือนกับว่ามันสะอาดยิ่งยิ่งขึ้นไปะบริสุทธิบ์บริเวณ์สิ้นเชิงเนีพระประจันเรามาประพฤติพระประจันเราก็ได้สัมผัสพระประจนันมันมีอยู่ในชจิตของเรานี้เองะ อยู่ภายในร่างกายอยู่ภายในจิตใจของเรานี้เองเราก็จึงมารวมตัวกันปฏิบัติธรรมปฏิบัติก็คือการกลับมาทมก็คือธรรมชาติรู้สึกตัวที่กายกับมีธรรมชาติของกายให้เห็นรู้สึกตัวที่เวทนานก็มีธรรมชาติของเวทนานให้เราเห็นมีความรู้สึกตัวที่จิตมันก็มีธรรมชาติของจิตให้เราเห็นมีความรู้สึกตัวที่ธรรม มันก็มีความปกติธรรมให้เราได้สัมผัสให้เราได้เห็นให้เราได้ใช้ก็จึงเกิดการทําหน้าที่ขึ้นมามีหน้าที่พูดก็พูดไปมีหน้าที่ฟังกะวังไปมีหน้าที่ต่อกายต่อใจอย่างไรก็ทําไปมีหน้าที่ต่อสังคมยังไงก็ทํากันไปเกี่ยวข้องกันไปฉะนั้นมันเกิดศาสตร์ต่างๆมากมายให้เราได้อยู่หรือว่าได้สัมผัสเอาเข้ามาเป็นความสุข ในชีวิตที่เหลือต่อไปจําเป็นกําไรชีวิตอย่างเง้ยนะมันเป็นเรื่องของความดีความงามะจะให้ทำํวทำวัฒนธรรมอายะธรรมไม่กระทั่งนะข้าวความดีของการตีกันน่ยการทะเลาะบบาแวงกันนะี่ยเอามาเป็นความสนุกได้นะเออคนมีปัญญานะเช่นมวยอย่างเงี้ยนะกีฬานะเอามาแข่งขันกันแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบของกันมีสตินะมีกติกานะมีระเบียบข้อบังคับนะ เตะบอล น, นะไม่ใช่เตะคนเนงะี้ยชกมวยเนี่ยถ้ามวยสาคนห้ามเตะการคอยเงี้ยเมื่อต้องรู้กฎกติกาเนะี่ยคนมีปัญญานะเอาไว้จนกระทงในโลกเนี้นะมีเครื่องอยู่มากมายนะแต่ของเราเนะี่ยเครื่องอยู่กีฬาคือฌานนักกีฬาฌานน่นคือมีที่พักของจิตนะพักไว้ที่ความรู้สึกตัวเลยละ่ะส่วนจะรู้ระดับหยาบหรือว่าละเอียดฌนะานนักกีฬาตัวนี้นะ มันเป็นภาษาบาลีนะชานะกีฬานะชื่อตรงๆแบบนี้แหละชานะกีฬานะมันเป็นทั้งชานเป็นทั้งยานทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวรู้สึกเป็นทั้งชานแล้วก็เป็นยานนะมันมีการขนส่งแล้วก็เป็นที่พักนะเราก็จึงเลือกนะขณะนี้เวลานี้เราก็มีที่พักของเราก็คือพักที่ความรู้สึกตัวรู้สึกตัวที่ปัจจุบันขณะที่กายของเรา มีความพอดีมีความสมดุลมีความเป็นปกติจะสังเกตได้ยังไงครั้งนี้เราก็สังเกตที่ร่างกายของเรามันมีอาการนั่งแล้วเก๊กแล้วเกงมันก็ถูกบังคับหรือไม่เออลองสังเกตดูถ้าตรงไหนมันเกงมันก็คลายให้มันรู้สึกพอดีรู้สึกว่ามันสบายอย่างีนะ้จิตใจของเราก็เหมือนกันรู้สึกว่ามันบังคับ เพ่งจี้จ้องร่วมเผลอใจลอยร่วมมีความพอดีกลางๆธรรมดาธรรมดาอยู่เราก็สังเกตเอาแต่ยิ่งเราขยับนิ้วมือหว่าหายใจทอมพองยุบเรารู้อยู่ด้วยก้นสัมผัสเรารู้อยู่ด้วยแล้วก็ใจก็สบายๆผ่อนคลายตรนั้เป็นอารมณ์กรรมฐานที่องค์สมเด็จสัมมาจ้าท่านเรียกว่ามัชิมาปฏิปทาทางสุดตองสองทางคือกรรมมาสุขาริกายโยก อันนี้จะเป็นลักษณะของใจลอยอัตตาก็อเมตหา ย, ย่อคือเพ่งจี้จ้องส่วนความพอดีพอดีคือมันผ่อนคลายแต่ว่ารู้ตัวอยู่ก็ให้สังเกตยิ่งเราเดินจงกรมทั้งวัน เ, นเราได้เห็นเลยนะบางทีเผลอๆอ่ามันเกร็งโดยที่ไม่รู้เนอะรู้ตัวเงี้ยบางทีบางจังหวะันก็สบายเจ้อย่างเงี้ยถ้าเรามีสภาวะของผู้ดูดูไล่เห็นเลยไม่เข้าไปเป็นตรงเนี้ยมันจะเดินทางจิตทันทีหลวงพ่อเทียนท่านทําอยู่สองวัน การกระจายธรรมะทั้งระบบทั้งอารมณ์รูปนามเห็นตัววิปัสสโนเห็นตัวจินยานเห็นตัววิปลาสภายในสองวันเองหลวพรออมเขียนท่านใช้เวลาสองปีกับเดือนท่านบอกว่าท้ายสุดนะท่านเห็นสภาวะของแก้วแตกเนี่ยเราฟังงี้ปั๊บมันเป็นล่องเป็นรอยที่ชัดเจนมากถ้าเป็นแผนที่เดินทางโอ้โหท่านบอกขนาดนี้เราก็จึงมีมกำลังใจที่จะพึพืวัดปฏิบัติธรรมเดินตามรอย ที่ท่านได้เดินไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วอย่างงี้นะเราก็จะไม่ได้ลงทิศหลงทางเราจึงมารวมตัวทำวัดเป็นบรรยากาศของการยามิตรก็คือน่ารักน่าเคารพนะทุกคนทุกท่านน่ารักน่าเคารพน่ายกย่องแล้วก็น่าชื่นชมเราจะมีความอดทนต่อกันหนักนิดเบาหน่อยเราก็จะไม่ว่าอะไรกันนะจนกระทั่งท้ายสุดเราก็ไม่พาไปทางที่เสื่อมเพราะว่าเราเดินด้วยความรู้เนรุตตัวร่วมกันนะเพราะนั้นท้ายสุดนี้ก็ขอให้นะ ลของการที่เรามารวมตัวในข่าวครั้งนี้แล้วก็เราก็พยายามใช้บรรยากาศของกยายมิตนะทำดีร่วมกันพระพฤติวัตรไปรมเข้าสู่สภาวะของพมอม า, ารร่วมกันแล้วก็สามารถทำความรู้สึกตัวได้อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงจน ท, งทั้งท้ายสุดสามารถที่เข้าถึงมากผลนิพพานถึงที่สุดแห่งกองทุกข ก็ขอให้ได้ประสบพบเจอในวิญญาณชาตินี้โดยท่านัการทุกท่านทุกรูปทุนามเถิน